อง่งจงบยารักวดอสตมาสู่ช่วงเคสตัดดี้กันเลยเจ้า ตั้งแต่เด็กตัวผมเองคบหาทีวีเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเขาเป็นท่าทีวี <c oughs> ดูช่องสถานีต่างๆเรื่อยมา <c oughs> จนกระทั่งสามปีที่ผ่านมา <c oughs> ผมก็บอกเลิกคบกับทีวีทุกช่องโดยสิ้นเชิง <c oughs> แล้วก็หันมาดูดี c ช่องนี้ช่องเดียวครับเพราะมีเรื่องราวสงคราม <HS> ชีวิตของคุณพ่อ ี่นำเสือ้อผืนหมอนใบมาจากเมืองจีนสู่แผ่นดินไทยเพราะจนภัยสิ่งต่างๆมากมายมาขอความกรุณนางคุณวิยายช่วยฝันให้ฝันดังนี้ครับคุณพ่อเป็นบุตรชายคนโตของคุณปู่และคุณย่าซึ่งเอายก จ, จากเมืองจีนคุณพ่อเกิดเมื่อปีสองสี่แปดหนึ่งแต่คุณปู่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการ จะไม่มีหลักฐานการเกิดคุณพ่อที่เมืองไทยพอคุณพ่อเจริญวัยขึ้นก็ค่อยๆฉายแววเด็กหนุมหน้าตาดีรากดาราห้องกงจนอายุได้สิบหนึ่งปีคุณย่ากระดพภากลับไปศึกษาต่อณเกาะไหหลํมมหามก็ะไหหลํากูเด็กกูดังแมกกินประยักรือต่กางโดยเด็ก อภิษายหลํมามรับมีเดโดเดร อ, อย่างเงี้ยแปลกดีมั้งกูเดกูดังกินใอยางแล้วตะกางดูเดเนี่ยโอ้หายหล่มหลํมหายหล่อมบ้านกนของปู่าตาที่เมืองจีนจนถึงอายุสิบหปีก็สามารถสอบเข้าโรงเรียนโอ้ชื่อเนี่ย ไหโรงเรียนไไฮขาวโรงเรียนไาวโรงเรียนที่ไหขาวมืองงหลวงเกาะไหหล่ำสงสัยโอ้ขุานาดีมึโชคดีเลียนหนังสือคุณปู่ส่งเงินจากเมืองไายมาให้เดือนละหนึ่งร้ายเหรียญฮ่องกงแต่พออยู่ได้สิบเจ็ดปีคุณปู่ก็มาเสียชีวิตพ่อจึงไม่มีเงินเรียนต่อแต่คงด้วย บุญนารีอุปถัมภ์คุณพ่อจึงได้แฟนคนแรกของท่า น, นเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินเธอให้ทั้งอังเปาเงินและอังเปาใจกับคุณพ่อทำให้คุณพ่อเรียนตอบไปได้คุณพ่อเรียนอยู่ที่ที่ไหนมือหลวงของไหล่อมชื่อไครชาว ได้สามปีก็สอบเข้าออเรียนต่อได้ที่มหาวิทยาลัยกวางโจวคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกทางด้านบรรจุพันธ์อาหารกระป๋องคุณพ่อมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมมากเป็นขนมหน้าตาดีฉลาดอนาคตกไกลเมื่อคืนเรียนไปที่สองโรงงานแห่งหนึ่งแถวไซบีเรียถึงก็มาจองตัวคุณพ่อเพื่อไปทำงานที่นั่นแต่ลในปีเดียวกันนั้นตรงกับพศ สองพ่กาสิบสองก็เกิดเหตุการณ์จุดเปลี่ยนชีวิตนั่นคือประเทศจีนที่ถูกเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบการปกครองใหม่นี้มีความเชื่อว่าคนทั้งโลกตอะทำงานเท่าเทียมกันเป็นอยู่เท่าเทียมกันไม่มีใครล้ำหน้าหรือล้าหลังอีก ท, ทำให้ไม่มีการนับถือศาสนาด้วยและมันมีบ่อคุณพ่อและหนุ่มสาวทุกคนที่เรียนอยู่ก็ต้องหยุดเรียนและถูกแก้มาทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย งานแรกคือการใช้แรงงานขนทานหินจากเชิญเขาไปจนบนยอดเขาขนฐานหินเลยเนี่ย oh. เอานักเรียนนักศึกษาขึ้นไป <Yeah. S 1> ซึ่งคันพ่อก็ขนอย่างลำบากยากเยน็นเพราะเป็นคนคุณดีแต่บอบผอมบาง <laughs> สุขภาพไม่เอื้ออํานวยขนไม่ได้แค่สาสีวันคุณพ่อก็ล้มป่วยคุณพ่อคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างต้องตายคากองฐานหินอย่างแน่นอน hmm. เมื่อเหนื่อยจัด ปัญญาก็เกิดขึ้นาพาเป็นระบบเครื่องโวนแรงจึนคุณพ่อได้เคยเริเรียนมาก็มาปรากฏขึ้นในใจ อ, อ, อืมคิดออกคุณพ่อจึงไปนาเหนืให้ผู้ควบคุมงานทราบถึงแนวคิดใช้รอกเป็นเครื่องมือในการขนฐานหินออคุณพ่อจึงได้เลื่อนฐานน่าจะขนขนฐานหินมาเป็นผู้คุมแรงงานเหนื่ยจนกระทั่งปัญดวงปัญญาเกิดทำให้คุณพ่อสบายขึ้น แต่ก็เป็นความสบายกันมาอีนิดหน่อยในช่วงกลางความยากลำบากนา น, นาประการของชีวิตในขณะนั้น <Okay. S 1> เมื่อเป็นอยู่ลําบากมากเข้าประกอก็มีบุญนารีอุปสมบทครั้งที่สอง mm hmm. คุณพ่อจึงวางแผนหนีกลับมาเมืองไทยโ <Okay. S 1> ดยแฟนสาวคนที่สองได้ให้บิดาของเธอซึ่งมีบริษัทอยู่ในฮ่องกอง mm hmm. ทําจดหมายขอเชิญคุณพ่อมาประชุมประจําปีของบริษัท คุณพ่อใช้โอกาสนี้ไปขออนุญาตจนได้เดินทางมาฮ่องกงแล้วก็เดินทางต่อไปยังประเทศไทยในแฟนสาวที่สองชื่อเหลือแต่เนื่องจากตอนเกิดและตอนเดินทางออกจากประเทศไทยไม่มีการทำเอกสารเป็นทางการคุณพ่อจึงไม่มีเอกสารใดๆพิสูจน์ได้ว่าตอนเป็นผู้ถือสัญญาชยัยหรือเกิดในประเทศไทยเลย แต่ท่านคุณพ่จึงต้องหลบเข้าประเทศไทยโดยใช้ชื่อนามสกุลและเอกสารของคนอื่นแทนแ ล, แล้วก็ได้ใช้ชื่อนั้นแทนตัวเองในเมืองไทยนับแต่แต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ต้องเอาชื่อของคนอื่นการอยู่ในเมืองไทยของคุณพ่อก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเกรงว่าจะรู้ว่าตนเองใช้เอกสารของคนอื่นคุณพ่อทำงานที่โรงงานผ้าห่มไทยขณะทงานที่ห้องพับผ้าท่านรู้สึกปวดหัว พี่นอนพักในห้องพับผ้า น, นั่นเองแต่ขณะที่ข้างบนกาลังเล่นไฮโลอยู่จู่ๆตารวจกับบุกเข้ามาจับกลุ่มพวกเลในไฮโลคุณพ่อก็เลยติดร่างแหไปด้วยแต่ท่านได้แฟนคนที่สามทอ้อยคอตั้งคาไปประกันตัวคุณพ่อออกมาน่ารีบุปถัมป์จริง <c oughs> คุณพ่อจะไปทํางานเป็นชจ้าไปฟ้าที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่นี่เองคุณพ่อก็ได้รู้จักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง เธอทำงานเป็นแม่บ้านของโรงแรมคุณพ่อจึงช่วยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งส่งกัไปส่งกันมาจึงแต่งงานกันแล้วก็หกันหน่ผมกับน้องสาวคนที่หนึ่งมาแลัจากคุณพ่อแต่งงานกับคุณแม่แล้วก็เปิดในขับอยู่แถวชนบุรีในในขับก็มีสาวๆรายล้อมเยอะมากซึ่งทาให้คุณแม่เนี่ยระแวงคุณแม่จึงไปสแสวงหาผู้ช่วย การเรื่องนี้ผู้ช่วยที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ก็คือหมนีคนทรงเจ้าช่วยไปช่วยมาช่วยจนคุณแม่เกิดอาการทางประสาทคุณแม่เปลี่ยไปเป็นคนละคนหันมาดื่มเหล้าโซบูรินนะพูดคุยอยู่คนเดียวเหมือนกับกับการคุยโต้ตอบกับใครสักคนหนึ่งภาษ า, าที่คุยกับใช้ภ า, ศ า, ศ า, ศาษาธรรมดาบ้าง ภาษาราชาศัพท์บ้างบางครั้งก็จะภาษาเก้าร้าวหยาบคายคุณพ่อไปไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ไม่หายวันหนึ่งคุณแม่ก็เลยหายตัวไปจากโรงพยาบาลคุณพ่อไปตามหาก็ไม่พบทราบภายหลังว่าญาตพี่น้องของคุณแม่เป็นคนรับตัวไปแต่พวกเขาปกปิดพ่อไว้ไม่ให้พ่อรู้หลังจาแม่หายตัวไปสามปี พ่ออยู่ว่วางๆมานาน<ล>ก็เลยแต่งงานใหม่แล้วพ่อก็มาเจอแม่อีกครั้งหลังจากที่แม่หายตัวไปสิบกว่าปีโดยญาติเป็นฝ่ายมาบอกแต่ว่าความรู้สึกก็ไม่ได้ผูกพันกันแล้ว แ, ลแม่ก็ได้อยู่กับญาติพี่น้องตามเดิน<ล>อาการดีขึ้นมากจำทุกคนได้เราได้รับการรักษาจากโรงพยาบา ล, ล, ลอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า ในช่วงที่แม่ป่วยนั้นในครอบครัวพ่อถูกการแกล้งจากผู้มีอิทธิพลท้องถิน่นทําให้ต้องปิดจิตจการคุณพ่อจะไปหุ้นกับเพื่อนซื้อรถเบนซเพื่อใช้ขับเป็นรถรับส่งแขกของโรงแรมแต่สุดท้ายถูกเพื่อนโกงสูญทั้งเงินทั้งรถคุณพ่อจึงหันมาขับรถแท็กซี่และก็มาพบรักใหม่ซึ่งก็คือคุณแม่ยัี้ยงผมเองครับมีลูกเดียกันอีกหนึ่งคนคือ น, น้องสาวคนสุดท้อง ในวันปลาชีวิตมื่อคุณพ่ออายุที่66ปีก็เกิดอาการอักเสบบริเวณทวารหนักพอาไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ปลายลำไส้ใหญ่แพผลจึงบาตัดส่วนที่เป็นเนื้อร้ายทิ้งไปเย็บปิดทวารหนักและเจาะหน้าท้องให้ใช้ขับถ่ายแทนต่อมาตรวจพบมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแล้วก็เนื้อร้ายที่ลำไส้ใหญ่ก็กลับขึ้นมาใหม่ยึงรักษาโดยการฉายแสงและเคมีบำบัดรักษาอยู่ได้4เดือนคุณพ่อก็แพ้เคมีอย่างหนักประมาณหนึ่อาทิตย์ก่อนพ่อเสียชีวิต แพรย์สั่งให้เลือดสามถุงแต่ธนาคารเลือดที่โรงพยาบาลมีเลือดเพียงหนึ่งถุงเท่านั้นจีนี้ได้รับความกรุณาจากหลวงพี่ว่าพระธรรมการเป็นบริจาคเลือดให้คุณพ่อถึงเจลูกหลวงพี่ท่านได้ไปเทศปโปรดคุณพ่อที่โรงพยาบาลเป็นช่วโมงทำให้คุณพ่อจะเป็นคนไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่ชอบรับพิสุทธิ์ทไห่ได้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นสุดท้ายหลวงพี่ก็ให้คุณพ่อรับศีลห้าและวมันทาทารักษาศีลเจริญภาวนาทุกวัน สอสามคืนก่อนเสียชีวิตคุณพ่อละเมอว่ามีคนใส่ชุดขาวจํานวนเป็นร้อยมาร่วมงานเลี้ยงใหญ่โตมีอาหารต่างๆมากมายเขามาเชจอคุณพ่อไปร่วมงานเลี้ยงละเมออย่างนี้เป็นชั่วโมงแล้วก็อีกคืนหนึ่งคุณพ่อก็ละเมอว่ามีข้าวต้มจํานวนมากตกลงมาจากท้องฟ้าต้องหาพระจันทา์มารองไว้ ข้าวตรงหกตกลงนอกภาชนะเต็มไม่หมดวัลรัศมีท้ายผมก็เสียชีวิตยอยู่บนเตยียงในห้องนอนที่บ้านโดยอายุหกสิบปดปีตัวผมเองปัจจุบันเป็นนักศึกษาสมัครแผนกธรรมโคตรผมนี่นะครับสามารถจดจําเรื่องราวต่างๆได้ดีมากแม้ฟังเพียงครั้งเดียวแต่กลับหลงลืมข้าวของบเบลออยู่หลอยครั้งอีกทั้งผมยังมีความรู้สึกกลัวชีวิตจะล้มเหลวในอนาคตอย่างมาก ผมนะครับเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วครับมีคนเติมผมว่าจะคิดมากแลก้วก็มักจะคอยเตือนผมว่าอืมอาการนี้น่าเป็นห่วงเพราะเขารู้เรื่องบุญบาปความรู้สึกโกรธชีวิตล้มเหลวก็ดีขึ้นแต่ยังไม่หายขาดครับเวลาที่สุขสบายขึ้นมาก็จะคอยกังวลว่าจะสุขสบายได้ไม่นานหรอกต่อไปเนี่ยจะต้องเจอเรื่องห น, นักๆเป็นแน่เลยเป็นต้น น้องสาวคนสุดทองตอนเล็กๆอายุใกล้จะหนึ่งขวบเคยถูกตู้เก็บของล้มทับแต่ไม่เป็นอะไรเลยเพระตูท้ทสิล้มมาทับน้องสาวมีช่องว่างอยู่แล้วตำแหน่งที่มาทับน้องสาวเป็นตำแหน่งของช่องว่างในตู้นั้นพอดีทําให้ราดตายมาได้หนึ่งในร้านเลยเนี่ยทำมาน้องสาวยุจะใ ก, กล้สิบสามปีได้ไปเล่นน้ํากับเพื่อนแล้วก็ได้จมน้ำไปด้วยกัน เพื่อนจับตัวน้องสาวไว้น้องสาวสลัดก็ไม่ลุดเมืนอทีที่น้องสาวนึกว่าตายก็ตายช่างมันเ hmm. พื่อนกับปล่อยมือออก hmm. น้องสาวจึงตะเกยตะกายราบไม่ได้ราวกับปฏิหาร hmm. แต่เพื่อนกับเสียชีวิต oh. นอกจากนี้น้องสาวยังมีอาการประหลาดคือตั้งแต่เด็กนี่นะต้องให้เท้าเปียกน้ำตลอดเวลา แช่น้ำพยนท้าป่วยเลย<อ>คุณพ่อเลยหาโลชั่นมาทาให้ตั้งแต่นั้นน่ะ น, น้องสาวก็ต้องทาโลชั่นที่เท้าเกือบตลอดเวลาเ<อ>พราะต้องการให้รู้สึกว่าเท้าเปียกเ<อ>พราะรู้สึกว่าเท้าเปียกแล้วก็มันสบายดีนี่บุญใดคําถามบุญไดท่า้พ่อมีนารีมาคอยประสมทุกครังที่ประสบภัย เกิดตอนที่ไม่มีเงินเรียนก็มีแฟนคนที่หนึ่งมาให้เงินสนับสนุนตอนที่ใช้แรงงานก็ได้แฟนคนที่สองมาช่วยห้หนีไปได้ตอนที่ถูกตำรวจจับก็ได้แฟนคนที่สามมาประกันตัวออกไปการมีบุญที่เขากล่าวกันว่านารีอุปสมนั้นเป็นเพราะสร้างบุญเฉพาะมากษสตรีหรืออธิษฐานมาอย่างไรหรือไม่ครับ กรรมใดคุณพ่อต่างใช้ชื่อของคนอื่นแทนชื่อของตนเองจนตลอดชีวิตบุญใดท่ามีฐานะดีขึ้นจากการเปิดกิจการในคลับกรรมใดกิจการต่างถูกอิทธิพลคุกคามจนต้องปิดลงและกรรมใดท่านยังถูกเพื่อนโกงทรัพย์สินไปกรรมใดคุณพ่อจึงเป็นมะเร็งลำไส้ต่างถูกตัดลำไส้และเย็บปิดทะวานหนักและมะเร็งปอดจนเสียชีวิตครับเป็นเพราะบุญใดช่วยดึงคุณพ่อเป็นมะเร็งไม่ค่อยจะเจ็บปวดทรมานครับ ที่คุณพ่อละเมอว่ามีคนใส่ชุดขาวจำนวนเป็นร้อยมาร่วมงานเลี้ยงแล้วก็ละเมอว่ามีข้าวต้มจมํานวนมากตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นกรรมนิมิตหรือกตินิมิตหรือไม่ครับคุณพ่อล่โลกแล้วไปไหนครับหลังจากคุณพ่อเสียภายในเจ็ดวันแ ล, ล้วรู้ดิสร้างพระพิรุณพ่อสามองค์ทางในรับบนนี้หรือไม่ครับและมีข้อความอะไรอยากจะบอกหรือเปล่าหากรูดิสร้างองค์พระ ธรมกายเป็นจำตัวให้คุณพ่อผลจะเป็นเช่นไหรหลังจากละโลกไปแล้วบุญใดๆขอคุณพ่อจึงได้รับความกรุณาจากหลวงพี่ธีวัดมาบริจาคโลหิตได้และให้ข้อคิดทางธรรมะหลายอย่างทำใหคุณพ่อจะเป็นคนไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาแต่รู้สึกดีกับพระภิกษุในพุทธศาสนาขึ้นมาอย่างมากเลยซึ่งเป็นผลดีในบ้านปลายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตครับเขาได้เป็นต้องคิดลทัทธิที่ทําให้คนไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาใดๆเลย จะเราที่นี่ตายแล้วไปอยู่ไหนครับข่าวไปรับผลกันอย่างไรครับกำเนิดคุณนม่จะมีอาการทางประสาทเป็นเพราะไปหาคนทรงเจ้าหรือไม่ครับหรือเป็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่จะไม่สำแดงออกแต่ผมยังมีความจําเรื่องราวต่างๆได้ดีแต่กลับเป็นคนเบื่อหลงลืมข้าวของแล้วมากังวลกับอนาคตครับต้องสั่งสมุนอย่างไรจึงจะเป็นคนไม่กังวลหรือกลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้นครับ น้องสาวคนสุดท้องกำใดมาจึงถูกตู้รมทับแล้วไม่เป็นอะไรกำใดจึงจมน้ำกับเพื่อนแล้วบุญใดมาช่วยไว้จึงทาให้รอดชีวิตมาได้ครับและกำใดจึงต้องให้เท้าเปียกน้ำตลอดเวลาจนติดโลชั่นมาถึงทุกวันนี้<อ>ผมก็น้องสาวคนสุดท้องสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรครับในพุทธนน์ที่แล้วที่หมู่คณะลงมาสร้างบารมี มีการมารวมกันสร้างบุญของชาวพุทธมอกที่สุดจำนวนเท่าไหร่ครับการเทศอนในคนมีจำนวนม า, มากๆได้ยินโทวถึงก็าทำกันอย่างไรครับและใช้วิธีนัดหมายแจ้งข่าวตามคนมาวัดได้อย่างไรครับและจำเรื่องราและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันเป็น ต, ต, ต, ตัวเป็นตาเลืนขึ้นม า, านแล้วก็นํามาไล่ฟังเป็นียญายปา ร, รัมป ร, ราการ์ พ่อนะุมนานได้อปถ้ำทุกครั้งที่ประสบภัยเช่นตอนไม่มีเงินเรียนก็มีแฟนคนที่หนึ่งมาให้เงินสนับสนุนตอนที่ต้องใช้แรงงานก็มีแฟนคนที่สองมาช่วยหนีไปได้ตอนที่ถูกตำรวจจับก็มีแฟนคนที่สามาช่วยประกันให้เพราะได้สร้างบุญมา ก, กับสตรีคนนั้นนั้นและก็ได้เคยเกื้อกูลกันมาในอดีตนี่เชื่อมไว้ได้สายบุญกันนะ กลับอีกทั้งเมื่อทำบุญใดแล้วก็มักจะดิษฐานว่าสาธุขอให้มีนารีอุปธรรมให้มีสตรีมาอุปธรรมจ้ามีน้าเลยถึงเข้าวัดกันเยอะแยะเลยพ่อตังใจชื่อคนอื่นแทนชื่อตัวเองตลอดชีวิตแล้วในอดีพ่อไม่นิสัยไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องบุญแต่ก็ทำด้วยความเกรงใจแต่นั้นเมื่อมีใครมาชวนทาบุญ ก็มักจะบอกว่าให้ใส่ชื่อคุณก็ได้ไม่ต้องมาใส่ชื่อผม เ, อเป็นต้นจ้า<อ>และบุญนี้แหละจริงทําให้หนีมาอยู่เมืองไทยได้โดยใช้ชื่อของคนอื่นจ้าเพราะก็ไ<อ>มค่คยเชื่อหรือบุญเทไหร่แต่ก็ทําเกลี้ยงใะคุณอะเอางี้แล้วกันคุณเอาชื่อของคุณก็แล้วกัน<อ>คุณมาบอกให้ผมทําบุญ<อ>คือก็ทํำงา่งานนยๆเองแหละแต่งา่งายๆก็ยังกลับมาเมืองไทยได้แล้วก็ได้ใช้ชื่อของคนอื่นจริงแหละ เออไม่น่าเชื่อนะทุกอย่างนี่มันมีเหตุมีผลของชีวิตทั้งสิน้นในทุกๆ ก, การกระทำดูสิขณะเป็นเรื่องบุญแท้ถ้าทำผิดหลักวิชาไม่ปัญหาแต่ก็หมดปัญหากับพระบุญดีเมื่อไนถ้ามีฐานน้าดีขึ้นจากการเปิดากิจการในครับเพราะเป็นผลบุญที่เกิดจากการทำทานเป่งช่วงแต่ก็ไม่ได้อธิษฐานจิตนะ ล้อมกรอบเอาไว้ว่าขอให้ได้ทรัพย์มาจากการประกอบสัมมาชีวะดังนันมาบุญสงผลจึงทําอะไรก็ได้ก็จะรวยมีฐานะกรอบกามีก ร, รมครบคนพาในอดีตระสงค์ผลด้วยผสมกันจึงทําให้ดึงดูดที่มาประกอบอาชีพนี้แต่กิจการต้งปิดเพราะมีผู้มีอิทธิพลคุก ค, คามเพราะกา ร, รครบคนพาในอดีตได้เป็นนักเลงคอยข่มขู่ผู้คนได้มาสมผลจ้ะ เห็นมทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันถูกเพื่อนกองทรัพย์สินไปพระตอนไปคบคนพานก็เคยไปโกงคนอื่งเขาเอาไอ้เช่นเดียวกับที่มาโดนบ้างในปัจจุบันนี้ทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นโลกแอปเปิลก็เป็นโลกอุวนก็เป็นใช่พ่อเป็นมะเร็งลําไส้ตถึงถูกจัดลําไส้ไปแล้วก็เย็บปิดทวารหนักพระค่าฆ่าสัตว์ธรรมหาและค่าขายในอดีตมารวมกับอีกชาติหนึ่งที่เป็นนักเลง โดยเคยไปทำร้ายโดยแทงคู่อดีตที่ท้องอีกทั้งเคยเอาประทัดเสีย บ, บ, บอ่าก้อนสนักและจุดเทตระเบิดกับก้ามสูบบุรีมารวมส่งผลให้เป็นมะเร็งปอดจนเสียชีวิตจ้สะสารพัดเลยช่วงพ่อเป็นมะเร็งไม่เคยเจ็บปวดเพราะพ่อเคยมีบุญบริจาคยาให้คนยากจนในอดีตมาจัดลำวิบากกรรมให้ไม่เคยเจ็บปวดทรมานจากเคราะหร้ายจา้ะ อืมดีจังเลยคุณพ่อระเม่าว่ามีคนใส่ชุดขาวเป็นจำนวนร้อยมาร่วมงานเลี้ยงนั้นเป็นขตินิมิตที่คุณพ่อจะได้ไปเกิดในภพภูมิของภูมมะเทวาชั้นดีแจส่วนที่ละเม่าว่ามีข้าวต้มจํานวนมากตกลงมาจากท้องฟ้านั้นก็เป็นกรรมนิมิตที่แสดงเห็นว่าพ่อจะมีโอกาสที่จะสร้างบุญได้มากแต่พ่ออาบุญไปได้นิดเดียวในตอนช่วงเช้าของชีวิตเท่านั้น<อ>แล้วจริงๆแล้วชีวิตของพ่อนะ่ยมีโอกาสสร้างบุญได้เยอะแต่ว่า เอาไปได้นิดเดียวในตอนช่วงท้ายที่มีโอกาสได้ทำบุญตายแล้วก็ไปเป็นภุมเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิทวาแห่งหนึ่งมีบ้านใหญ่พอสมควรดีบุญที่ทําช่วงท้ายและบุญที่ลูกทําให้จ้ะจะรับบุญทุก บ, บุญที่อุทิศไปให้แล้วก็มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมหาวิดีสร้างองคพระธรรมกายประจำตัวให้คุณพ่อหลังจากพ่อละโลกไปแล้วคุณพ่อคงจะไม่ได้ไปเป็นภุมเทวาชั้นดี และอาจจะต้องถูกพาตัวไปยมโลกก่อนอให้ออกสกันนิขอแขวนก็ตรงนั้นก่อนอแล้วก็เขาว่าอากันตามวิบากกรรมที่ตัวกระทำไว้ตจำเป็นมนุษย์คุณพ่อได้รับการบริจาคโลหิตจากหลวงพี่ธีวัฒน์และได้เข้าคิดทางธรรมะแล้วทําให้เข้าใจพระพิสูจนแล้วพระพุทธศาสนาที่ขึ้นเพราะได้ดีประทับบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้มีลูกที่ดีจึงทําให้มีลูกอย่างตัวลูกเองนี่แหละซึ่งเป็นผู้มีบุญมาเกิด เป็นลูกของท่านแล้วก็คอยเป็นกัลยาณมิตรกับท่านในบ้านปลายได้ อ, อีกทั้งได้บุญขอ ง, ของลูกชายนะ่ะอีกทั้งได้ด้วยบุญของลูกชายที่ลูกชายทำในปัจจุบันโดยมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระศาสนามานานเนี่ยจึงทำให้พระอาจารย์ท่านเมตตาไปบริจาคโลหิตเป็นอุ ป, ปรบรมีให้กับคุณพ่อดังกล่าวจ้ะเห็นไหมบุญนี่มันก็จะเกื้อกูลกันความดีที่ลูกชายทาไว เขาจะเป็นต้นคิดลทัทธิที่ทําให้คนไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาใหญ่เลยเจะลัทธินี้ตายแล้วก็ไปอยู่โลกกันต์ตาหานรกเพราะว่าเป็นนิยตามิจฉาทิติทั้งไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อว่าปิดามารดามีคุณไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีไม่เชื่อผลทานมีเป็นต้นใช่เมื่อไปอยู่ในโลกกันตนานรกก็จะมีกายใหญ่ขนาดภูเขาใหญ่ๆหรือใหญ่กว่านั้นได้เอาหัวห้อยลง เหมือนข้างคาวงัน<ม>ด้ขาขาเกาะอยู่กับขอบหน้าผา ม, มันมืดนี่กตะกายกัดกินเงินเองแล้วตกลงไปในน้ำกรดสีดำร้อนแรงจนตัวละลาย<อ>แล้วมารวมตัวตะกายขึ้นมาใหม่วนเวียนซ้าๆ ท, ทุกทรมานมากกว่ามหานรกแปดขุม<อ>และอยู่ยาวนานกว่าทุกๆมหานรกจะ้ะ โล ก, กันตานรกนี่อยู่เลยจากขอพบพสามด้านล่างไปอีกสามสามช่วงสามเท่าของพพสามหนึ่งสองถามหนึ่งคุณแม่มีอาการทำรสาดรแล้วการดื่มสุราเองด้วยแล้วก็เล่าไปเส้นไหว้นับถือเจ้าส่งด้วยในอดีระส่งผลจ้ะโดยเป็นมาก่อนเจอคนส่งอีกทั้งในปัจจุบันก็มีความเครียดเกี่ยกับเรื่องของคุณพ่อด้วยจ้ จึงทำให้เกิดอาการเช่นนั้นโลกจำเรื่องราวต่างๆได้ดีแต่มีการประเบิหลงลืมข้าวของและมักกังวลเกี่ยวกับอนาคตเพราะได้ดีเคยําบุญแล้วอธิษฐานว่าขอให้มีความทรงจำเป็นเยี่ยมนะอืม <c oughs> แต่เวลาทำบุญมักมีจิตฟุง้งซ่านและพิจกกังวลพอจะทำบุญบูชาข้าวปลก็นึกถึงตัวเลขอะไรน <c oughs> นึกถึง ตายแล้วตากผ้าเอาไว้ลืมเก็บอ่า ม, มัวฟุ้งซ่านในเวลาทําบุญเออ๊ะวิธีราวางเราท้าเป็นระเบียบหรือเปล่าเ <g ul ing> นี่ยมัวลืมตาดูดนู่นนู่ล้วงกระเป๋านูล้วงกระเป๋านี่อะไรอย่า ง, าางเง้ยกำลังจะบูชากระพรักโถกอ็อมๆยาให้มันเสร็จเสร็จเด้วตรวจกระเป๋าใส่เ็มกระ ด, ดี่งตั้งแต่บ้านมาดูหาอยู่นั่นแลหละงาของนู่นมาก หยิบจะมองจะดมจะอมมาาดูๆแล้วก็ดูคนโน้นคนนี้เลยอย่างนี้แหละจ้ะอาการคล้ายๆอย่างนี้ก็คล้ายๆมีอาการของวิตตกจริตแต่ไม่ใช่วิกลจริตนะยังไม่ถึงขั้นวิตกลแต่แค่อยู่ในขั้นวิตตกคือฟุ้งซ่านในเวลาทําบุญเนี่ยเห็นเปิดกระเป๋านูกระเป๋านี่คนอยู่นั่นแหละแล้วลืมตาดูคนโน้นคนนี้ดู จะเป็นอย่างนี้แหละนี่แต่ถ้าดื่มสุดาทิงจะวิกลเฉิตแต่ถ้าฟุ้งซ่านวิตกเฉล ด, จ ะ, ด, ดจะแก้ไขกันดังสมาธิเยอะๆไล่มีสติอยู่กับปัจจุบันอีท้ายทำบุญทุกบุญอย่างสม่ําเสมอด้วยจิตที่ไม่ฟุง้งซ่านรวมทั้งเวลาพระให้พอก็ต้องตั้งใจให้ดีแล้วติหาเจตนานแน่นก็จะได้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะเพราะนั้นเวลาทำบุญในใจตั้งทิ้งดิ่งไปเลยนะ นิ่งไปเลยนะไม่ใช่มากังวนเอ้ตายแล้วตายเอาลูกแมวเอาแมวมาไว้ในรถใส่กระเป๋ายัางดีมันจะหลุดหรือเปล่ามันจะหิวไมอนะยรน่อาลูกสุนัขใส่เกงมาในรถเนี่ย ใ, ใครจะดูเลยจใจมันก็จะไปวนๆอยู่อย่างนี้มันฟุง้งเพราะนั้นเวลาทำบุญต้องให้ถูกหลักวิชาะจะตั้งหนึ่งเดียวยน้องสาวก็จะท้องถูกตู้ล้มทับแต่ไม่เป็นอะไร พระกำเนดิดชอบไม้ตีมแมลงวันไม่ว่ า, มาแมลงวันนี้จะตอมอาหารหรือไม่ตอมก็ตามเคยแมลงวันก็ <c oughs> มัดสรงผลแต่ก็ไม่เป็นอะไรเพราะยังมีบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาช่วยไว้พอดีตู้เปิดก็คอปปรอบพอดี <c oughs> จำหน้ากับเพื่อนแต่ราตายพระกำเนดิด ได้อาลูกหมาที่พิ่งยานมไปหัดให้มันว่ายน้ำจนมันจมนักเกือบตาจะก็ช่วยมันไว้ทันมัดทรงผลอย่าเห็นไหมเจ้าว่าไม่ว่าจะสนุกสนุกอะไรเนี่ยไปแย่อะไรเล่นเนี่ยล้วนมีผลโอ้ไม่น่าไม่น่าบังพรักลับมาเกิดเป็นค น, นคนกลับไปเกิดเป็นพังพรนี่ส่วนเพื่อนเราต่างคนต่างก็มีการเนของตนอย่ ถ้าต้องให้เปียกน้ำตลอดเวลาจนทําให้ติดโลชั่นมาจนปัจจบันนี้เพราะแนด่ดีเคยลงโทษคนรับใช้ที่เท้าเละแล้วก็ชอบเหยียบขึ้นมาบนเรือนจนเรือนเละเทะโดยการสั่งให้คนรับใช้เอาเท้าแช่น้ําต่อเนื่องหลายวัน<อ>เพื่อเข็ดลาบมาส่งผลเจ้าเลยต้องมาแช่มึงแล้วก็น้องสาสา ร, ร้างบริเมกุมขน้ำมาโดยเป็นกองสเสบียง ประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามอารมณ์จ้ะในพุทธันดรที่ผ่านมาไม่ทไมถามล็กๆอก <c oughs> ในพุทธันดรที่ผ่านมามีการเรมตัวของหมคณนะมาก ที่สุดเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยหลายล้านคนโดยไปชักชวนกันมาแบบปากต่อปากบ้างตีค้องร้องเปล่าบ้างเพราะไม่ใช่ยุคไฮเทคจนต่วมาก็กลายเป็นประเพณีและก็รับทราบ ก, กันโดยในยุคนั้นคนมีบุญมาเกิดกันมากอายุก็ยืนเป็นหมื่นปี<อ>ระบบประสาทการรับรู้ ทั้งหูตาจมูกคอปากต่างๆเนี่ยก็ดีมากกว่าในยุคปัจจุบันหลายร้อยเท่านี่การเทศสอนทำให้คนได้ยินทั่วถึงโดยได้อยู่รวมกันในอาคารใหญ่ๆที่จุคนได้ทั้งหมดนี่ลเลยชเพราะใ น, นการที่เร า, าทำล้านมีเล็กๆเพราะว่ า, วาหลายล้านก็เคยกันมาแล้วนี่เห็นไหมใจมันติดนิสัเคยคิด ตอนเด็กๆออสนามหวงมนันอ่ะจะมีหลังคาครอบเนาะแต่หนังก็เป็นไอเดียเด็กเพราะเป็นเด็ก แ, แ, แ <c oughs> ก่ๆขึ้นมาก็มาทำหลังคาครอบเลยจริงๆ <c oughs> ใหญ่กว่าสนามหลวงค <c oughs> ือสภาธรรมกายสากลนี่แหละอตอนนั้นคิดแบบเด็กๆแยดล้อเน่ะหนังกลางแดด <c oughs> นี่คิดแล้วทำได้ <c oughs> เนี่ย คนเลยยองเขาว่าเป็นคนเอาได้การเทศอนทําให้คนได้ยินได้ถึงโดยอยู่รวมกันในอาคารใหญ่ๆที่จุกคนได้ทั้งหมดใหญ่ก็่สะพาธรรมกายหลายเท่านัก อ, อีกทั้งผู้แทศก็มีพลังเสียงที่ดังกังวาน<อ>ด้วยบุญ<อ>ในยุคน<อ>ึงได้ยินทั่วถึงกันหมดโดยไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงเหมือนปัจจุบันจ้ะเพระคนมีบุญเขาไปเกิดรวมกันน<อ>ี่ไหมจ้ะ โดยไม่ต้องจักรเลยก็พูดธรรมดาแต่พลังเสียงนั้นในยุคนั้นคนก็จะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็ศียที่ถือศียงาจะเป็นปกติโดยเฉพาะข้อปาฏิบตนะัต <c oughs> ินะจะไม่ค่อยข่ากันห <c oughs> รอกเพราะฉะนั้นการมีการลบกันถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งในล้าน <c oughs> หนึ่งในล้านที่จะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ปยามาเนี่มันไม่ธรรมดาเลยแต่พระอาจาของเราพระองค์นี้ยังพยามายังมาขับคนไม่ให้ใส่บาตถึงหนึ่งพันษาหนึ่งมันษาแล้วท่านอยู่ได้อย่างไรคนในหมู่บ้านนั้นไม่ใสาบาตเลยห น, ย น, ยนึ่งมันษากระทั่งมีคนเลี้ยงม้าผ่านมาครับกาเลี้ยงในราษาทั้งภาษาเหมือนแต่เอาข้าวที่ปั้นแท่งที่จะให้ม้ากินเนี่ยนี่เอามาถวายท่าน นอนต้องนั่งตามตามข้าจริงๆแต่ละองค์ก็มีฤทธิ์นะที่จะไปอะไรอย่างนั้นนะแต่ท่านตั้งใจเป็นต้นแบบที่ดีเนี่ยต้องอดทนเล ย, เยอดทนเล ย, เยต่าง<อ>ไม่ธรรมดาหรอกเรื่องนี้ชาตนี้พรเจอากราะล่างตั้งใจสร้างบรมีเต็มที่นี้ทุกบุญแล้วจิตฉาญจิตตามติดปีตุศิบรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพโิยสัตย์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า นี่กเป็นเรื่องราวของแคสตัดีสั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้